ท่านผู้ฉลาดเหล่านั้นมันเจริญกรรมฐาน มีความเพียรมั่นอยู่เป็นนิจสินบรรลุพระนิพพานอันเป็นสภาวะที่สูงส่งอิสระจากกิเลสเครื่องผูกมัดพุทธวัจนะ ชาติของคนเราเนี่ยจะมีความรู้สึกอยู่สามอย่างที่เป็นความรู้สึกอยู่เสมอๆในแต่ละวันคือความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้วก็ความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆกลางๆบางทีก็บอกไม่ได้นะว่าตอนนี้นี่เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ นาในแต่ละวันเนี่ยก็มีอยู่แค่เนี้ยไม่เกินจากสามสิ่งนี้ไปได้พูดถึงความรู้สึกทางด้านจิตใจนะเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปละต่อไปก็อาจจะมีความทุกข์เข้ามาแทรกหรือบางครั้งจิตมันก็เฉยเไม่รู้มันจะไปทางไหนกันแน่สุขหรือทุกข์กันแน่เป็นอยู่แค่เนี้ยแต่ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าคนเราเนี่ยก็ต้องวนเวียนอยู่ในความรู้สึกแบบนี้แหละ พูดถึงเรื่องความรู้สึกที่เป็นสุขคนทั่วไปก็ดูจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหากลับเมื่อเราติดสุขชอบความสุขเแต่แล้วเวลาความสุขมันเปลี่ยนแปลงไปใจเรามันก็เป็นทุกอีกแล้วเพราะว่าติดอยู่ในความสุขระวังให้ดีนะคนที่ติดอยู่ในความสุขมากๆมากสุจากการกินสุขจากการนอนสุขจากการท่องเที่ยวเมื่อเราแสวงหาสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยเียเราก็ต้องเป็นถุกแต่อีกอาการนึงก็คือความรู้สึกที่เป็นเฉยๆกลางๆ บางทีมันก็มีความสุขเหมือนกันนะบางคนชอบความสงบนิ่งใช้ใช้ไม่อยากไปรับรู้อะไรบางทีใจก็มีความสุขซ่อนอยู่นั้นเหมือนกันแต่ถ้าขาดสติขาดความรู้สึกตัวแล้วก็มันก็มีโอกาสาที่จะไปเป็นทุกข์ได้เหมือนกันอันนี้ดูไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่ปัญหาของมนุษย์ทั่วไปก็คือเรื่องของความทุกข์นี่แหละความทุกข์ไม่มีใครต้องการ อยากหนีอยากหลุดอยากพ้นคนที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ใคยชอบตรงนี้ทนะั้งนั้นมีใครชอบความทุกข์ไไม่มีบางทีความทุกข์เนี่ยมันเป็นประสบการณ์เป็นครูของเราเลยนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนนี้เราก็รังเกียจอันนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์นี่ไม่มีใครชอบแต่เราก็ไม่สามารถจะหลีกหนีได้ทีนี้ถ้าหากว่า เรามีสติสักหน่อยเวลามันเกิดความสุขขึ้นมานด้านจิตใจเรามีสติรู้ทันไม่หลงละเลยในความสุขนั้นเราไม่ห้ามความสุขแต่เรามีสติรู้ไว้อย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่กับความสุขเรารู้ไว้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นฝึกที่จะปล่อยวางความสุขซะบ้างและในาหาะเดียกันเนี่ยถ้าใจาเรายังเป็นทุกข์ มีความทุกข์ก็ขึ้นในจิตในใจเราเราก็อย่าลืมสตินะเรียกสติมาใช้ให้รู้เท่าทันในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราให้รู้ทันไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปห้ามแค่รู้เฉยๆพยายามที่จะรักษาจิตใจเราไว้ให้อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้จิตเราจะได้เป็นอิสระไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับกรกิเลสมันก็เป็นกิเลสอย่างเรื่องความสุข ทุกมันก็คือกิเลสแต่จิต ท, ที่มีสติรู้เฉยเนี่จะอยู่เหนือความสุขความทุกข์นะจะอยู่เหนืออารมณ์ต่างๆที่มาปรุงแต่งทางด้านจิตใจแค่รู้เฉยเฉจิตอารมณ์ที่มันบวกกันอยู่ยจิตจะเป็นอิสระกว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็จะปรุงแต่งจิตใจไม่ได้จิตก็จะสบายๆายเป็นอิสระแต่ว่า เราเลือกไม่ได้โดยเพราะเรื่องก็ความทุกข์เนี่ยไม่มีใครทําให้เราคนอื่นนี่จะทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้และในขณะกันเนี่ยความทุกข์เราก็ไม่ได้ทำขึ้นเองนะและความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยนะเพราะความหลงเรือกว่ า, าวิชาหรือโมหะที่มีในจิตในใจเรา จึงเกิดการปรุงแต่งทางด้านจิตใจที่เรียกว่าสังขารทำให้ใจเราเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครทำให้เราและเราก็ไม่ได้ทำเองเกิดจากความหลงศา ส, สนาพุทธนี่ยปฏิเสธเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติของความหลงเท่านั้นถ้าเราทำในส่วนที่มีสติรู้ทันกิเลสไม่ได้ใจเรายังเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่เป็นไร แม้ว่าศาสนาพุทธจะสอนว่าทุกท่านั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นตั้งอยู่ทุกท่านั้นดับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนอกจากความทุกข์แต่เมื่อเราขาดสติรู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเมื่อเวลาที่จิตใจเรามีความทุกข์เราก็อาจจะปลอบใจตัวเองได้บ้างอย่างน้อยคอยคิดจะว่าเอาละความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวเราแล้ว มันไม่ออกจากจิตจใจเราก็ไม่เป็นไรให้ถือซสีว่าเรากำลังสร้างบารมีอดทนไว้หน่อยอดทนกับความทุกข์ไหน่อยถือว่าเป็นการสร้างบารมีสร้างความพร้อมที่จะดับทุกต่อไปในวันข้างหน้าบารมีแปลว่าความพร้อมให้เราอดทนนะก่อนที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยหรือจะสลูได้เนี่ยก็ต้องบำเพ็ญเพียรบารมี หลายพบหลายชาติมีแต่ความทุกข์ยากลําบากแต่ท่านอาศัยความเพียรอาศัยความอดทน<ม>ความไม่ท้อแท้ใจจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้พระอัยยสาวกก็เช่นเดียวกันทุกรูปก็ต้องอาศัยบําเพ็ญเพียบรบารมีความขยันความอดทนจึงจะปฏิบัติธรรมเพื่อถึงที่สุดแห่งความทุกข์ได้คุณหมอคุณครูเนี่ยนะก่อนที่จะเป็นครูที่ดีได้ จะเป็นคุณหมอที่ดีได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในศาสตร์ต่างๆถ้าก็ต้องบำเพ็ญเพียรบารมีคือฝึกฝนจิตใจความชำนิชำนาญประสบการณ์ให้เกิดความพร้อมที่จะเป็นหมอเป็นครูอะไรอย่างนี้นะคือสร้างความพร้อมความทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราอดทนเพื่อสร้างบารมีสร้างความพร้อมเพื่อจ ะ, จะบรรลุธรรมถือว่าทำในส่วนนี้ก็แล้วกันถ้าชีวิตใครก็ตาม กำลังมีความทุกข์ก็ถือว่าเรากําลังสร้างบา ร, รมีนะแต่ถ้าชีวิตกําลังดีแล้วก็เท่ากับใช้บุญบา ร, รมีอยู่ดีทั้งคู่แต่ว่าการใช้บุญใช้บา ร, รมีเนี่มันก็มีวันหมดนะแต่การสร้างเนี่ยมีแต่วันเพิ่มเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรมีความทุกข์แต่เรสร้างบา ร, รมีไปอดทนไปการสร้างบา ร, รมีในตัวเรานั้นไม่ต้องไปหาที่ไหน ทำได้ทันทีในปัจจุบันนี้เพียงแต่เรามีความเพียรมีความอดทนที่จ ะ, จะเจริญสติฝึกสติสร้างสตินี่แหละเป็นการสร้างบุญบรารมีสร้างความรู้สึกตัวแห่งมาก ม, ามีสติลงไปที่กายที่จิต ท, ที่ใจของเราเลือกเอาเลยกายก็ได้ใจก็ได้อันนี้เราได้รูปด้วยนามจากคุณพ่อคุณแม่มาก็เพื่อมาทำตรงนี้ มาจเจริญสติรู้ลงไปที่กายที่มันกำลังเคลื่อนไหวในอิรยาบทต่างๆรู้ที่จิตใจที่มันคิดมันนึกอาศัยความเพียรในภาษาทําเรียกว่าอาตาปีคือเพียเพรเผากิเลสให้ร้อนทั่วอาศัยสติคือความระลึกได้อาศัยสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทำลายความ ย, ด, ย, ายดีดีร้ายในจิตใจออกไปเสียได้ สติสัมปชัญญะนี่แหละจะรักษาใจใเป็นปกติไม่มีความยีดีๆีลายถ้าเรามีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะรักษาใจใเป็นปกติไม่ยิดียี้ายล้วก็ถือว่าถูกหลักสติปัฏฐานแล้วหลักการคือมีอาตาปีคือความเพียเพรเผากิเลสให้ร้อนทั่วกิเลสมันร้อนนะไม่ใช่เราร้อนเวลาเราจเจริญสติเนหะ็นไหม มันดีจิตใจเรามันงุดงิดอึดอัดทักเทืองเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ง่วงเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็เซ็งอาการที่ไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยมันกําลังร้อนเพราะถูกกิเลสมันเผาเสจแล้วเรามีสติรู้มันเฉยเฉยในอาการต่างๆ่างเราเนี่ยรู้เฉยเยเนี่ยเราก็ดูดูกิเลสมันถูกเผาเหมือนกันนะมีสติดูอยู่ห่างเราไม่ได้ถูกเผา กิเลสกาลังถูกเผาให้ร้อนทั่วถ้าเราขาดสติเนี่ยเราถูกกิเลสเผานะแต่ถ้าเรามีสติกิเลสก็ถูกเผาเช่นเดียวกันดูที่มันร้อนรุ่มกลุ่มบูราดูเฉยๆดูอยวงหาจิตใจเราจะไม่เปื้อนนะจะไม่เป็นทุกข์จะไม่ถูกเผาไปด้วยอุบมาไม่เหมือนที่เราดูไฟไหมใช่ไหมเราเคยไปดูไฟไหมไหมดูกองไฟดูไฟกําลังไหม ตอแเราดูใกล้ๆตัวเราก็ร้อนแล้วก็ถอยระมังห่างซะเราก็ไม่ร้อนการเจริญสติก็เช่นเดียวกันถ้าิตใจมันร้อนรุ่มเนี่ยเราก็ดูหย่วงห่างวางใจเป็นกลางๆเชยๆอย่างมีสติเราก็ไม่ร้อนเนี่แหละคือการปฏิบัติสําคัญนะถ้าเราเจริญสติเวลามันมีความคิดเพลอคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อย่าเพลอสตินะ เราจะรู้สติดูกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆถ้ามีความคิดเพลิดเิดขึ้นมาเราก็ต้องมีสติรวยทันในความคิดนั้นอย่าไปเพลิดเพลิบางคนมันคิดขึ้นมาปับ๊บจิตก็โกรธทันทีเลยถูกเผาแลนะ้วมันเพลิดเิดไม่เป็นไรเรารู้ไว้เราก็ได้สติแล้วอย่าเพ ล, เลิดเพลความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนี่แหละเราจะเกิดปัญญาถ้าเรา ดูความคิดสังเกตความคิดไปเรื่อยๆนานๆอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันจะรู้จักตัวเรานะจะไปเห็นจิตอ๋อจิตนี่มันเป็นผู้คิดตามหาจิตเราพบและตามหาจากความคิดน้อยๆนี่แหละตามดูความคิดไปเรื่อยๆจะเห็นจิตผู้คิดจิตนี่มันเป็นนักคิดเป็นผู้ผลิตความคิดปรุงแต่งมากมายจิตผู้รู้ผู้ดูนี่แหละถ้าเราเผลอมันคิดได้เหมือนกัน ถ้าตามหาใจเราพบแล้วก็เราได้หลักของการปฏิบัติดูจิตดูใจได้ถ้ามันไม่คิดเราก็ดูกายไปเรื่อยๆถ้ามันคิดเราก็มาดูจิตะตามหาใจเราพบในแต่ละวันเนี่ยเราฝึกได้เลยทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบสนุกหนะ้าการปฏิบัติทาการเจริญสติสนุกมันเหมือนมีเพื่อนเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันไม่เหงาไม่เซ็งมันมีอะไรทาถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็มันไม่เหงา ไม่เบื่อไม่เสงยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปฟังเพลงไม่ต้องออกนอกบ้านไปหาใครคุยกับใครที่ไหนเพราะเรามีสติเป็นเพื่อนไม่เหงาคนจริ้สติอยู่เมือ ง, งเนี่ยจะไม่มีอารมณ์เหงาจะมีแต่ความสุขสงบเย็นสบายสบายสติสัมัญชน ญ, ญานีระถต่ว่าเป็นเพื่อนคู่จิต มุดคู่ใจสำหรับทุกๆคน